กิจกรรมกิจกรรมแบบนี้ไม่ใช่มีเพราะไม่ใช่เป็นกิจกรรมประจําอันนี้เขาเรียกไม่ใช่นิทพลาที่จะมารับบิณฑบาตมาเป็นนิจทานแล้วไม่ได้ทําประจรําเลยอันนี้เป็นการกระทาทนชั่วครั้งชั่วคราวลองคิดดูเนาะชีวิตของเราเนี่ย ป, 365ปีหนึ่งสนาะมร้อยหกสิบห้าวันปีหนึ่งเนมีสามรอยหกสิบห้าวัน แต่เราได้เคยให้ทานคนทีม่มาให้ประจำนะชีวิตที่เกิดมาเนี่ยเราปล่อยให้ผ่านไปไม่รู้เท่าไร่ไม่รู้แต่เราไม่เคยให้ทานประจำเลยโดยจะพาะให้กับพระสงฆ์ที่มุ่งเน้นในการที่จะตระหนักในคุณของสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระประมู โดยมากเราไม่ได้ขับเน้นกันจริงๆจังเลยในชีวิตเนี่ยนะกระแสชีวิตเนี่ยลมหายใจมันหมดไปแสชีวิตที่มันก็หมดแล้วที่ผ่านมามันเรียกคืนไม่ได้แน่ๆมันหมดไปหมเดเลยแล้วมันเหลือแต่ใครคิดได้ความทรงจํำยังเหลือหรือไม่เหลือนแต่ที่สุจริงๆก็คือได้ฝังไว้ในอาทยาใสาเรียบร้อยแล้วว่าบางครั้งเนี่ยเราทําสิ่งที่จะเป็นเครื่อง เนี่ยวรั้งจิตใจของเราให้เกิดสุขโสมนัสให้เกิดความเชื่อมั่นว่าเรานี้จะอยู่ในโลกใบนี้เราก็อยู่อย่างสุขโสมนัสและปราโมทปิติแม้จะเดินไปในภพถัดไปเราก็ไม่หวั่นไหวเพราะได้เตรียมสถานภาพเหตุการณ์สร้างเหตุปัจจัยขอยงตนเองบริบูรณ์แล้วก็ไม่กังวลถึงสิ่งที่ทํามาแล้วและสิ่งที่ยังไม่ได้ทํา เพราะอะไรเพราะเป็นการสร้างปัจจุบันในเหตุที่ครบบริบูรณ์ถามว่าเราได้หวนกลับมานึกถึงกระแสชีวิตของเราไหมที่เราปล่อยทิ้งไปเออน่าเสียดายนะสิ่งที่เราปล่อยทิ้งไปแต่เราไม่ได้ขับเน้นในการเจริญกุศลกันอย่างต่อเนื่องคราวนี้ก็พระก็มาปลูกกระแสความคิดนะปลกจิตสำนึกให้คิดว่า การเจริญทานกุศลในชีวิตจริงๆที่เกี่ยวข้องกับพระที่เกี่ยวข้องกับพ่อแม่ที่เกี่ยวข้องกับบุตรที่เกี่ยวข้องกับสามีภรรยาญาติมิตรที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชามันเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องยึดโยงเอามาใช้ให้ได้แล้วก็จะต้องฝึกกระทำให้ต่อเนื่องแล้ว ว่าแต่และบุคคลทำเนี่ยกรรมของใครกุศลของใครที่ทำก็จะเกื้อหนุนกระแสะชีวิตของท่านบู้นั้นถ้าท่านผู้ใดไม่ได้ทำกระแปลชีวิตที่เกิดมาแล้วก็เรียกว่าอยู่อย่างประมาทอยู่อย่างประมาทไปวันๆเราไม่ได้ความเราเห็นความเป็นอันนี้จังความเปลี่ยนแปลงของกระแสะชีวิตที่มันแตกดับ ยังรวดเร็วในแต่ละวันในแต่วินาทีและที่มันผ่านมาที่เราเรียกเก็บคืนไม่ได้เนี่ยแต่เรากลับไม่ได้ประโยชน์จากการเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยโดยการไม่ได้ปลุกเราในเรื่องของการที่จะทำเจตนาที่เป็นไปกับทานกุศลและศีลกุศลเป็นต้นเนี่ยความตั้งใจของเราก็ไม่ได้มุ่งมั่นอย่างแท้จริงฉะนั้นตรงนี้พระมาปลุกกระแสวิธีคิดของเราเพียงแค่ห้าหกวันเนี่ย ต่อไปโยมต้องเดินกันเองนะต่อไปโยมก็ต้องเติมกันเองมันอยู่ตรงที่ว่าโยมจะตั้งมั่นได้อย่างไรในเมื่อไม่มีกัลยาณมิตรมาคอยกระตุกเตือนไอ้ตรงนี้โยมต้องเป็นโจทย์ที่โยมต้องกลับไปคิดหรือทำกันเองนะเออจะทำจิตใจให้มันมีความตั้งมั่นในกุศลได้ได้อย่างต่อเนื่องไหมประครับประคองอยังไง ศรัทธาที่มีแม้น้อยนิตยมลาภไปบ้างเนี่ยยอมจะรักษาศรัทธาอย่างไรในความเชื่อมั่นในพระรดานไตรเนี่ยจะประคับประคองอย่างไงถ้ายอมไม่มีอุบายวิธีในการรักษาศรัทธาประคับประคองศรัทธาในตนเองเนี่ยแปลว่าลําบากนะบางทีเรื่องทรัพย์เนี่ยอาจจะให้คนอื่นดูแลให้ได้บ้างเรื่องชีวิตพังขาก็อาจจะประคับประคองกันได้บ้างเล็กๆในน้อย แต่สัทธาในดูแลยากกว่าทรัพย์และชีวิตกว่าวัยวะฉะนั้นทั้งหมดเหล่านี้โยมจะต้องประคับประคองแล้วก็ต้องจะต้องเดินต่อไปในสังสารวัฏในชีวิตต้องเดินอีกไกลฉะนั้นตรงนี้ก็คือพระหรือสา ม, มนเณรก็มาเป็นตัวแทนของสงฆ์ให้โยมได้เจริญกุศลกัน แปลว่าการที่จะเก็บเกี่ยวในการที่จะเจริญกุศลได้มากน้อยต่างกันอย่างไรผลปรากฏว่าที่ผ่านมามันก็หมดไปแล้วใครที่ตั้งใจไอ้ความตั้งใจนั้นก็ฝังไว้ในอัธยาศัยเรียบร้อยใครที่ไม่ตั้งใจไอ้ความไม่ตั้งใจก็ฝังไว้ในอัธยาศัยเรียบร้อยเบียดเส็จทั้งหมดคือการกระทำนะทางกายทางวาจาทางใจที่เราแสดงออกมาความมุ่งมั่นความไม่ยอมถอนความตั้งใจความตั้งใจอย่างแรงกล้าในการที่จะปลูกเร้าคุณธรรม ก็คือทานกุศลศีลกุศลและเดินสู่ภาวนากุศลได้อย่างแท้จริงในชีวิตจริงในตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ยอมต้องไปกระตุ้นเตือนทำให้เกิดขึ้นถ้าไปเจออุปสรรคเจอสิ่งใดๆต่างๆ ท, าง ท, างที่จะมาทำให้กระแสะชีวิตของเราเนี่ยมันมันต้องท้อแท้เนี่ยสิ่งที่ควร น, นึกมากที่สุดก็คือนึกถึงพระจริยาคุณของพระพุทธเจ้าแล้วอาจจะฟังเพียงน้อยนิดเนาะบางเรื่อง ที่พระองค์ทรงป่าปันในการฝึกตัวเองอย่างไรอบรมตนเองอย่างไรต้องเพียรพยายามขนาดไหนถึงจะได้มาซึ่งสัมมาสัมโพธิยานแต่ตรงนั้นแหละเป็นแรงจุดประกายความคิดว่าเออไม่ได้แล้วเราไม่ต้องเพียรถึงขนาดพระพุทธเจ้าแต่เรามีพระธรรมที่พระองค์ทรงตัดสู้และพระองค์ทรงแสดงมาอย่างชัดเจนอย่างนี้เบ็ดเสร็จ แล้วสติปัญญาของเราจะรับรู้ว่าทำคำสอนของพระเจ้าได้มากน้อยเพียงไรเราก็ไม่รู้เลยฉะนั้นตรงนี้ยอมก็ไปฝึกนะเนี่ยกรณีอย่างนี้ก็เริ่มฝึกไม่ ง, ง่ายเลยนะกว่าจะฝึกเตรียมตัวในการจัดแจงหาอาหารจะไปแล้วในการที่จะคิดปรุงแต่งจิตให้เป็นไปกับกุศลจริ ง, ร ง, รงเนี่ยตั้งแต่การเดินไปหาอาหารไปซื้ออาหารทาสภาพปุพพาเจตนาก่อนที่จะกระทาให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงเนี่ย มีการเดินไปมีการไปเลือกอาหารดูที่มีความเหมาะสมแก่สงต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องรายละเอียดที่เราจะจัดแจง mm hmm. ก็เรียกวิจัยยะฐานังในวิจัยยะฐานังก็คือวิจัยพิจารณาตั ว, ต, วตัววัตถุด้วยและในขณะเดียวกันเป็นการจัดแจงคุณภาพในใจของเราด้วยให้สภาพคุณภาพของใจนั้นเป็นไปกับปามโมดปิติและสุขสมานาจึางหลาและความตั้งใจก็ไม่ถอนไม่ถอนความตั้งใจไม่ลังเล ตั้งใจไว้ตั้งแต่เม er <an> <an> ื่อวานก็ไม่เปลี่ยนความตั้งใจตั้งใจว่าจะให้ทานก็ตั้งใจอย่างมุ่งมั่นอะไรมาขวางก็ไม่ยอมไม่อุปสรรคใดๆลงมาตัดหลอนตัวเองได้แม้อุปสรรคมาขวางขนาดไหนตัวเองก็ฝ่าฟันอุปสรรคนั้นมาให้ได้แล้วจนสามารถนําพากระแสชีวิตมายืนอยู่หน้าเบื้องหน้าต่อสง์ได้เนี่ยอันนี้เราก็คิดให้เกิดความภาคภูมิใจนะว่าอู้ยังไงไม่ใช่ง่ายนะ ชีวิตที่เราจะสามารถหลีกเล่นออกมาจากครอบครัวแล้วถืออาหารมาเนี่ยแต่ถ้าเราคิดว่าเอ๊ะถ้าไม่มาก็ไม่ได้ไม่มาเขาจะตําหนิมันกลมุมเลยนะเนี่ยมันกลายเป็นว่าเออทานของเรามันมีเงื่อนไขคนอื่นบีบบังคับกฎระเบียบบีบบังคับสังคมบีบบังคับมันก็กลายเป็นว่าสภาพที่เจตนาของเรามันก็มีเงื่อนไขที่ไปอิงแอบกับความกลัวความรักความไม่รู้กับใช่ไหมความกโกรธอะไรก็เลย เย่เย่ไปยิงแอบกับประเพณีบ้างไปอิงแอบกับหวังสุขติโลกสวรรค์ไปอิงแอบกับมันสบายใจไปวันวที่ส่วนจริงๆมันก็ไม่พร้อมที่จะก้าไปสู่ความฝึกตนเองจริงๆเนี่อันนี้ก็ต้องไปไปไปดูสภาพความตั้งใจของเราจริงๆไอ้ตรงนี้อยอมกิจกรรมในการฝึกยอมไม่ควรแค่นี้ต้องฝึกไปเรื่อยๆพระสงฆ์ที่จะรับของมีอยู่เราให้ทานให้ถูกให้ทานให้ถูกให้ทานที่เป็นทานกุศล่างจริงๆ ไม่เอาของที่มึนเมาไปให้ทานไม่เอายาพิษไปให้ทานใช่ไหมเอมไม่เอาสิ่งที่ผิดวินัยที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้ไปให้ทานไม่เอาเงินและทองไปใส่บาตรให้ทานก็ผ่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องตั้งใจคือคือทิฏฐิหรือความเมตตาเราเนี่ยมันต้องกล้าที่จะลบพฤติกรรมทีงจะเปลี่ยนบางคราเนี่ยเข้าใจในโยกมบางคนว่าเออ พระกลุ่มนี้ท่า น, ท, านท่านเป็นแบบนี้เราก็อนุโลมตามท่านแต่พอไปอีกกลุ่มหนึ่งที่ท่านออไม่ได้วางหลักการอย่างนี้เราก็อ่อนโยนน้คือนิสัยคนไทยแต่ก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้ สมัยอยุธยาไม่เป็นอย่างนี้สมัยอยุทยาที่ตอนที่เขามั่นคงในพระศาสนาเนี่ยตอนที่คริสตศาสนาเข้ามาใหม่ๆโยมเขไม่เป็นแบบนี้นะนิสัยคนไทยสยามเนี่ยสยามไอไ อ, อ, อ, อ, อประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกจิงอยู่พวกคริสตศาสนาเข้ามาเผยแพร่ศาสนาเขาเขไปฟังเขาฟังอย่างตั้งใจด้วยแต่ถ้าบอกว่าจะให้ไปทําพิธีกับคริสเขาบอกเขาไม่ทำ กลับมาเขาก็มาเนี่ยยึดโยงกับพระเจ้าประสงค์เข้าวะสวดมวนตไหว้พระเล่ น, นจนบาทหลวงนี่มาเผยแผ่ตั้งสามสิบสี่สิบปีเครียดนะบอกโอ้โหเป็นประเทศที่ประหลาดมากประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ประหลาดมากคือบอกให้ทําอะไรเหมือนจะทําอ่อนโยนยิ้มแย้มแจ่ม ใ, มใสให้เข้ามาในโบสถ์ยังเข้าเลยแต่จะให้ไหว้ไม่ไม่แต่เข้ามาเข้ามาในโบสถ์พิสเขาก็าเข้าเนี่ ถ้าไปฟังอธิบายก็ยิ้มไมเ่เคยแสดงปฏิกิริยาที่จะไปต่อต้านอะไรเขาเลยแต่พอกลับมานั้นไอการยึดโยงในพระตนตรัยกับมั่นคงจนถึงขนาดว่าบาทหลวงเนี่ยต้องเข้าไปกราบรายงานกับพร ะ, เ, พระเจริ น, นในยุคนั้นพระนารายมหาราชเป็นหมอบอยู่กับเท้า ทุนบอกว่าเออก็จะไอ้พระาพระาชามากษัตริย์เมืองตอนเองเนี่ยต้องการใพนพระนาลายเนี่ยเปลี่ยนศาสนาแล้วหมอบลงในตัวสัตว์นะเพราะกลัวอาชญานียยุคนั้นมันสมบูรณาเนีพนระนาลายก็ปอบโยนบอกว่าเออเข้าใจที่ท่านต้องการจะให้เราเปลี่ยนไปนับถือพระเจ้านี่ท่านก็เลยบอกว่าพระเจ้าเนี่ยคงรู้ ถ้าพระเจ้าปรารถนาจะเปลี่ยนให้ตัวท่านเองเนี่ยนับถือท่านคงต้องบอกเองคงไม่ต้องอาศัยท่านมาบอกหรอกเห็นไมคอคงไม่ต้องอาศัยออท่านให้มาบอกหรอกถ้าเป็นความประสงค์ของพระเจ้าจริงๆพระเจ้าก็ต้องโดนบรันรดาลให้เป็นนับถือเองนี่นี่คือความชานฉลาดของของพระราชามากรสัตวรร์ไทยนะที่สุดจริงๆก็ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยน ตรงนี้เราเราเป็นอย่างนั้นไหมเราอ่อนโยนไปตามสิ่งแวดล้อมแต่เราไปอ่อนแอทางด้านจิตใจหลักการของเราเสียเราไปเสียหลักการหรือเปล่าเสียหลักการคําสอนหรือเปล่าไอ้ตรงนี้ก็นั่นแหละหยิบเอาสังคมของพุทธบริษัทเหล่านั้นมาใช้ให้ถูกต้องอ่อนโยนยิ้มแย้ ม, ยมจ้ำใจจริงแต่ถ้าผิดหลักคําสอนไม่เอาดู แต่ไม่ได้ไปต่อตา้านเพียงบอกเออมันไม่ถูกถ้าถามแล้วก็ชี้แจงเหตุผลได้ด้วยแต่ไม่ไปต่อตา้านยิ้มแย้มแจ่มใสอนุเคราะห์ช่วยเหลือได้แต่จะไปให้ทำผิดอย่างนั้นไม่ทำนะก็ขออีกหลักการในชัดเป็นครูกันแล้วเนี่ยมันต้องมีหลักการที่เป็นผู้นําพอสมควรเจตจำนงความเป็นครูก็กตุ้นมาค่อนข้างชัดใช่ไหมล่ะ เออมันต้องแข็งแรงไม่แย่อ่อนแอทางด้านความคิดแล้วก็ให้สิ่งผิดๆกับครอบครัวแล้วก็สิ่งแวด ล, ล้อมเขาฝากให้คิดนะโมทนากับพวกเราด้วยตั้งใจในการเจริญกุศลนะก็ขอให้ความปรารถนาความตั้งใจดีที่เป็นไบกระคำสอนของพระเจ้าจงเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนกระตุ้นเตือนกระแสชีวิตของเราให้เดินสู่แนวทางที่ถูกต้องและเป็นปัจจัยกับการบรรลุมรรคผลนิพพานกล่า็คือความพ้นทุกข์ ตามคำสอนของบระเจ้าด้วยกันทุกท่านทุกประการเทิด <c oughs> <c oughs>